ทุกชีวิตล้วนผ่านพบชาติในอดีตมาแล้วการที่อยู่ดีๆก็ถูกจี้ถูกปล้นจนถึงชีวิตเป็นการต้องตายจากผู้เป็นที่รักสิ่งเป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัวอย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ต้องกระทาไว้แล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่ง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 ท่านก็ตอบง่ายๆตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้วไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่านและในวันนั้นเองเมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นานรถที่ท่านนั่งไปก็คว่ำทับร่างของท่านมรณะภาพทันทีท่านมรณะภาพองค์เดียวคนอื่นทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทําศพท่าน ปรากฏว่าอัติของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆกันที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่านั่นคือพระธาตุนั่นคือเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้วพระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรมที่ผู้ใดได้กระทาแล้วจะต้องได้รับผลแม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุด ก็ยังหนีไม่พ้นท่านย่างแสดงให้เข้าใจด้วยว่าทุกชีวิตผ่านพบชาติในอดีตมาแล้วและต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้น